คือเราเคยคิดไหมว่าไอ้ใครเคยนั่งเอาภาพตัวเองมาเปิดดูบ้างนะแค่เอามองหยาบๆเนี่ยเสื้อผ้าที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆเรื่อยๆชาตินี้นะเอาภาพต่างๆมาเปิดดูเห็นเสื้อผ้านี่มันเปลี่ยนมันรู้สึกเป็นยังไงนะบางครั้นอาจจะโศมันัดเลยนะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆจัดในสถานที่ต่างๆนี่ในหนึ่งถามว่าถ้าเรา ดูสีหน้าแต่ละขณะแต่ละขณะของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงดูสีหน้าแล้วถ้าเห็นภาพของเราโดยลำดับนะไล่ตั้งแต่อายุภาพทุกๆปีอ่ะนะมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนปีแรกเกิดปีสองปีสามปีสี่ปีห้าจนถึงปีที่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมสอนแปดสิบหรือยังแปดแล้วนะ อ่าแปดสิบสี่แปดสิบสี่แล้วก็เอารูปที่แปดสิบสี่มาดูเทียบกับสมัยที่หนุ่มๆ น, นะสมัยเมื่อยี่สิบสี่เนี่ยมาเทียบกันดูอ่แล้วก็ถ้าเอาเอรูปเหล่านี้เป็นต้นเลยนะมามาเปรียบเทียบกันดูของแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีมันเป็นยังไงแต่ละปีแต่ละปีนี่ในส่วนของรูปประคันนะเรากาลังพูดถึงรูปประคันแล้วชาติที่แล้วมันเป็นยังไง เคยดูเขาในทีวีเป็นต้นเนี่ยเขาสมัยก่อนดูก็คือเขาจะมีการไอมันเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆใช่ไหมในคนเดียวกันเนี่ยโดยกิริยาอาการต่างๆทีนี้ของเราถ้าเป็นภาพเร็วนี่นยสมมติว่าคิดถึงอดีตแต่ชาติเนี่ยชาติละหนึ่งหนึ่งวินาทีแล้วถอยหลังสักกับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ละชาติเนี่ยหนึ่งวินาทีนะ ให้ดูภาพนะไม่รู้ว่าจะอยู่ในสี่เท้าหรือสองเท้ามากกว่ากันหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำมันะสลับไปเรื่อยยังไงก็ลองถอยๆดูแต่ละชาติแต่ละชาตินะตลอดกลับเลยมันจะเป็นยังไงก็คือตลอดกลับก็ไม่ยากอะไรว่าถ้าชาติที่มีกระดูกอยู่เนี่ย ก, กองเท่าภูเขากันแล้วกัน ถ้า ก, กองมันไม่ยเน่าสลายนะกองเข้าภูเขาเนี่ยแต่ละชาติมันจะเป็นยังไงแต่ละชาติแต่ละชาติทีนี้ถ้าถอยหลังได้เป็นอสงไข่นะเป็นหลายๆแสนชาติหลายๆพันล้านชาติหลายๆโกดชาติแต่ละชาตินี่ใช้เวลาแค่หนึ่งวินาทีนะเชื่อไหมนั่งระลึกทั้งร้อยปีเนี่ยก็ร ะ, ะลึกไม่หมดชาติละวินาทีเนียเขาบอกว่าชั่วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะระลึกได้แสนกลับเนี่ย ระลึกอยู่อย่างนี้เป็นร้อยปียังไม่หมดเลยระลึกไปเถอะกค่อยระลึกไปจะเห็นว่ามันมันอะไรกันนี่กันนะทีนี้ถ้าเรารู้กฎเกณฑ์ความความเกิดขึ้นของวัตตะเนี่ยนะความเกิดขึ้นของวัตตะว่าวัตตะนี่ก็คืออะไรก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่มันเป็นไปการสร้างตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้ดูนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เราอยู่ในอดีตชาติอ่ะนะ พวกนั้นที่เราทำพร้อมที่จะมาสร้างตาหูจมูกิ้นกายใจได้หมดเลยเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่หกในอดีตชาติพร้อมที่จะสร้างให้ไปพบต่อไปเนี่ยควรจะเป็นอะไรแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชา ต, ต, ชาติอย่างที่กล่าวว่าเราทั้งหลายนี่อยู่ท่ามกลางวัตตะนะอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งวัตตะทุกเวลานี่คือท่ามกลางนะทุกครั้งเหมือนกับเราเดินไปที่ไหนก็ตามก็อยู่กลางโลกนั่นแหละ ถ้าโลกมันกลมๆใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนก็อยู่กลางโลกเดินให้มันพ้นก็ไม่พ้นเพราะมันอยู่กลางโลกอะ่ะเดินอยู่ตรงไหนก็อยู่กลางโลกนี่ก็เหมือนกันว ต, ตะนะเดินไปยังไงอยู่ตรงไหนก็คือท่ามกลางว ต, ตะเรารู้วิธีสร้างว ต, ตะใช่ไหมว ต, ตะมันสร้างยังไงก็ย่อๆง่ายๆก็ทุกครั้งที่ลืมตานั่ยแหละคือการสร้างตา ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคือการสร้างหูทุกครั้งที่รู้กลิ่นคือการสร้างจมูกทุกครั้งที่รู้รสคือการสร้างลิ้นทุกครั้งที่รู้โธพธพภะคือการสร้างกายทุกครั้งที่นึกคิดคือการสร้างใจนั่นคือการสร้างพบสร้างชาติไปเที่ยวดูไปฟังเป็นต้นเนี่ยก็คือไปสร้างพบสร้างชาตินิยามของปุุชนทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าสัมเวสีวะอางนูตาวาสัมเววีวะพูดคือระารหั สัมเวสีคือผู้ที่ต้องปฏิสนธิต่อไปเนี่ยนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งที่ทั่วไปเขาเรียกว่าผู้แสวงหาที่เกิดทุกครั้งที่เราไปนะเราไปหาที่เกิดนะไม่ได้ผิดเลยนะะไม่ใช่ว่าหลังจากตายแล้วนะไปหาที่เกิดเนี่ยทุกคนเดินไปเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปที่ไหนก็ตามคือไปหาที่เกิดไปหาที่อยู่ใหม่พาอรู้ไหมว่าจะจุติเมื่อไหร่ แล้วรู้ไหมว่าควรจะเกิดที่ไห น, นนะก็ไม่ใช่สุขตินะส่วนมากนะถ้าไม่มีพุทธคุณเป็นต้นนำหน้าเนี่ยเชื่อได้เลยเก้าสิบเก้าจุดเกเก้าเปอร์เซ็นบายวันก่อนไปดูบ่อเต่าบ่อปลานะบ่อสี่เหลี่ยมก็สักตารางไร่อะ่ะโหนั่นนะ่ะนะจุคนไทยได้ทั้งหมดอะ่ะถ้าถ้าเกิดแนวบายเนะยสมมติถ้าเกิดในอบายเนะี่ยจุได้ทั้งหมดเลยบ่อนั้นบ่อเดียว ดีไม่ดีอาจจะจุมนุษย์ทั้งโลกได้ถ้าไปปฏิสนธิแถวนั้นนะหรือถ้าไปเกิดเป็นไร่น้ำมันนะปริมาณแค่หนึ่งตารางหนึ่งตารางวานี่ก็อาจจะจุได้ทั้งโลกเลยใช่ไหมถ้าไปเกิดเป็นไร่น้ำํำนะท่านถ้าระลึกชาติได้นะถ้าผู้ใดระลึกชาติได้สมมตินะสมมติเรานึกทิ้งต่างว่าถ้าเราระลึกชาติได้เท่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย นึก Shift, อดีตได้หมดเลยแล้วเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเห็นวัตตะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยวัตตะมันเป็นยังไงเพราะทุกครั้งทุกครั้งทุกคําที่เราพูดคือการสร้างวัตตะทุกครั้งที่เราคิดนะักกายกรรมว จ, จีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยคือการสร้างวัตตะตลอดทีนี้ถ้าด้วยกุศลก็เป็นสร้างวัตตะที่ดีไปถ้าอากุศลก็สร้างวัตตะที่ไม่ดีไป อวิชาเป็นปัจจัยจึงมีปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนรชาพิสังขารทำทั้งบุญทำทั้งบาปทำทั้งดีทำทั้งชั่วทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยนะนะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ลืมเราเลยเนี่ยนะนะคนที่ไม่ค่อยทําบาปมาก็ขายัางชั่วนะเขามาช่วงหลังมาเอ๊้ไอ้ไส้เดือนที่เราข้ามาทําไมมันนึกได้ไส้ข่าไส้เดือนเป็นถังเป็นถังเนี่ยนะนะถังถังสีอะนะ ทั้งสีเป็นหลายสิบริตรเนี่ยเก็บทุกวันทุกวันเพราะข้าววันแล้วก็ะป๋องนมนะวันแล้วก็ะป๋องนมนมอตาเมลิเป็นต้นเนี่ยนะหรือวันละกะลาอย่างเงี้ยถามว่าถ้าทําสักสามปีนี่มันควรจะเท่าไหร่โอ้มันนึกนะอาจจะได้หลายสิบกิโลมากๆเลยนะเส้นได้เล็กเนี่ยการเก็บออาทำไครับ <laughs> <laughs> เก็บเอาไปใส่เบ็ ด, ด <laughs> อืออ ทีนี้ถ้าไฟเบ็ดนะถ้าถูกกบนะโหสงสารกบคือถ้าเราใส่เบ็ดกบเนี่ยนะมันก็เอาหลักไปปักปักแป๊บเนี่ยกบมันก็จะกินไ อ, ไอเห็นแก่ใต้เดือนมันก็กินเลยกินแป๊บมันก็มันก็กลืนลึกถึงกระเพาะนันะ่นแหละลึกลำไส้นันะ่นแหะพอมันกลืนเต็มที่นะธรรมชาติของสัตว์เนี่ยกลัวภัยพอรู้ว่าตัวเองมีปัญหาแป๊บก็จะกระตุกหนีมันจะไม่ค่อยค่อยคลา ย, ย, ย, ย, ยนะมันไม่ฉลาดหรอกสัตว์เนี่ย มันมันก็กระตุกตัวเองหนีปั๊บมันก็คลูดแล้วตั้งแต่ท้องมันทีมันมันดึงกระเพาะลําไส้ออกมาหมดเลยทีนี้มันก็เดินมันก็พันในอหลักที่เราปักมาเนี่ยมันก็พันพันพันแข้งอพันขาพันพันทั้งสี่ขานั่นแหละแล้วก็อาเจียนออกมาไะตับต่อเป็นต้นเนี่ยทะลักออกมาข้างนอกแล้วไม่ใช่ตัวเดียวอันนี้นะถ้าขึ้นก็ไปไม่ดีแน่เออฮะ คนคนบนมีเตือนดีแล้วเ น, น่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ่อไหนนะคือตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่โมหะนาหน้าเดีนะมันมีโมหะนาหน้าเลยคือถ้าถ้าทบทวนชีวิตที่ผ่านมานะสมัยที่เราไม่เรียนพระธรรมเนี่ยมันมีแต่โมหะอย่างเดียวมันมีแต่โมหะว่าที่ไหนที่เราควรจะได้สั์คิดได้เท่านี้จริงๆเกินกว่านี้คิดไม่ได้ อมันรู้แต่ว่าเออคนี่ยคืนนี้ทําไงเราจะได้มาเนี่ยได้สักพักหนึ่งเราก็กลับมานอนละก็ก็เที่ยวสแสวงหาอย่างหน้าเนี้คือหน้านที่เขาสแสวงหากบกันในฤดูเนี่้ตั้งกันนี้ไล่ไปเรื่อยจนถึงปลายปลา ย, ลายตุลาเนีนะก็คือเทศกาลหากบเทศกาลหากบกัห า, กกหาปลาพันพวกนี้เนี่ยนะมันแม้กระทั่งเห็นใบไม้ปั๊บมันจะต้องนึกว่าข้างล่างใบไม้มันคืออะไรนะนะ มันผู้ที่ทําอกุศลเอาไว้เยอะๆเนี่ยมันก็พวกนี้จะวิปฏิสารพวกนี้จะเดือดร้อนมากนะท่าน น, านึกถึงบาปที่ตัวเองไม่เคยทําไปนี้ถ้าหากว่าบาปเหล่านั้นนะเงถ้าท่านนึกก่อนตานยนีนึกถึงตัวไหนนะนึกถึงกรรมอะไรตัวนั้นมานําเกิดเอาสิแค่เรียกว่าอาสันนกรรมนึกถึงปาณาติบาตปาณาติบาตจะนําเกิดถ้านึกถึงอธินาทานอธินาทานจะนําเกิด ท่านนึกถึงกาเมกาเมจะนําเกิดท่านนึกถึงมุสาวาตตัวกรรมที่ทํามุสาวาตจะนําเกิดท่านนึกถึงทานทานกุศลจะนําเกิดท่านนึกถึงศีลศีลจะนําเกิดท่านนึกถึงภาวนาเป็นต้นภาวนาจะนําเกิดท่านถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตให้คิดเป็นกุศลให้เพียงพอเนี่ยนะมันน่ากรุณาจริงๆเลยว่าพบต่อต่อไปจะเป็นยังไง ก็อย่างที่คลายท่านนิยมพูดคำว่าทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกไหนทุกกระทุกขเท่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้นสังขารทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นวิปริณามาทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นดนั้นกองทุกทั้งหลายเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มองตรงกันข้ามเราก็ยอมจำนนใช่ไหม โดยทั่วๆไปนี่เราก็ยอมจำนนนึกว่ามันมีอยู่เท่านี้ น, นะนึกว่าวัตตะที่ได้นี้มันดีแล้วมันดีแล้วแต่พอมาคิดในตรงกันข้ามคิดตามพระธรรมคำสอนก็เลยรู้ว่ามันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามนะที่เราอยู่นะั้นมันเป็นวิสัยมานเบ็ดมานเหยื่อมานมันเกี่ยวเนื่องด้วยวัตะเนี่ยนะมีนะธรรมะที่สงบระงับปราศจากวัตะ ธรรมะที่ดั บ, ดบวัตตะที่สงบระงับดับวตะออกได้นะวตะจริงๆนี่ออกได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีวิวัตะไม่มีนิพพานเนี่ยนะการออกจากวตะมีไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าพระนิพพานมีอยู่การออกจากวตะจึงมีเปรียบเหมือนอย่างว่าเพรา ะ, ะมีร้อนจึงมีเย็นเป็นเครื่องเปรียบใช่ไหม มีมืดมีสว่างเป็นเครื่องเปรียบมีดำมีขาวเป็นเครื่องเปรียบนะมีหิวก็มีอิ่มเป็นเครื่องเปรียบนันะมีเกิดก็มีตายเป็นเครื่องเปรียบทัานถ้ามีวตะวิวัตะก็ต้องมีเป็นเครื่องเปรียบทั้นตัววิวัตะมีอยู่แน่นี้ทํำยังไงที่จะออกจากวตะที่จะออกได้ทั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยบางคนว่าศึกษาตามแนวพระไตรปิฎกมันยากเหลือเกิน จะขอไอ้แบบง่ายๆคือเขารู้จักวัฏตะน้อยไปเนี่ยนะนะเขานึกว่าวัตตะทั้งหลายเนี่ยมันแค่เอายามหมองมาทาก็หายแล้วเนี่ยนะนะก็ น, นึกว่าแค่ใช้ยามหมองก็เพียงพอแล้วที่จะระงับสารพัดโรคเนี่ยน ะ, นะนะแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เมื่อวันศุกร์ไม่ได้มาเรียนกับเขาหมอเขาฝากหนังสือไว้ให้เขามานั่งพลิกดูสองรอบแล้วเนี่ยนะนะ โรคผิวหนังโรคเดียวนะไม่นด้โรคอย่างอื่นในโรคผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยมันเป่าพร้อมที่จะเป็นเช่นนั้นได้หมดเลยถ้ายังมีขันห่าถ้าเรายังมีผิวหนังในผิวหนังที่อยู่ในรูปเนี่ยเรามีสิทธิ์เป็นหมดเลยถ้าเรามีผิวหนังเพราะว่าโรคอันนั้นมันลงที่ไหนมันลงที่ผิวหนังมันเกิดที่ผิวหนังถ้าผู้ใดมีผิวหนังพร้อมที่จะเป็นโรคแบบนั้นได้เลยนะเคยอยู่ๆแล้วมันพองขึ้นมาเคยไหม ถ้าไม่เคยนี่มีบุญมากเดี๋ยวนะโยโยขึ้นมาปั๊บต่อมมันขึ้นเลยเดี๋ยนะโยโยปั๊บในยงกัดปั๊บปูดขึ้นมาเลยฮชแสดงว่ามันพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างจริงๆตัวผิวหนังเนีื้ออะไรเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพร้อมที่จะเป็นต่างๆจริงๆกระดูกนะพร้อมที่จะมางอกผิดที่ผิดตำแหน่งก็ได้พร้อมที่จะขาดก็ได้พร้อมที่หกพร้อมที่จะหักพร้อมที่จะร้าวพร้อมที่จะเปราะพร้อมที่จะเสียหายได้หมดเลย เมื่อวัตตะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเราก็มาเพลิดเพลินมาหลงไหลมาติดใจในในวัตถุเช่นนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ออกจากสิ่งเหล่านี้มีอยู่พระนิพพานที่สงบระงับจากสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ว่าหมูสัตว์ผู้ไม่ได้สดับพระธรรมน้อยนักที่จะคิดในสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามนี่ยนะคิดน้อยนักที่จะคิดถึงตรงกันข้ามจะมีอยู่บ้างก็ตอนให้ทานและตั้งความปรารถนาสาธุ แม่ครูตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าตอนตอ น, ตอนให้ทานน่ะนะตอนอื่นทำไมไม่ตั้งบ้างอ่ะ อ, อ๋อเวลามีสติทีก็ตั้งทีขอให้มีสตินะอย่าประมาทจะได้ตั้งบ่อยๆตั้งมากๆถ้าไม่ตั้งเลยนะมันเฝ้าวะตะจริงๆช่วงนี้เป็นเป็นช่วงเทศกาลไปไหว้พระาธาตุมาหลายแห่งอานะชีพหลักของนมาตอนนี้ไหว้พระาธาตุอานะชีพร้องก็แสดงธรรม ผู้ธรรมะเนี่ยนะคือเห็นเลยว่าพระพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่ชั่วคราวหลังจากนี้เข้าใจว่าถ้าตามตำนานก็สักสองพันห้าร้อยกว่าปีไม่มีใครได้กราบอีกแล้วไม่เกินสองพันห้ารอยปีเนี่ยนะจะไม่มีใครได้กราบอีกแล้วเพราะว่าประธาตจะมาประชุมกันแล้วก็อันตรธาน เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่เรียกว่าศาสนาของพระโคดมโดยที่พระสีอ่านพูดถึงบุคคลที่เหลือจะเริ่มจะเริ่มไม่รู้จักแล้วตอนนี้เริ่มไม่รู้จักแล้วนะเพราะตอนนี้คนที่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เท่าไรแล้วแม้กระทั่งประเทศที่นับถือผู้ศาสนาก็นิดเดียวในในประชากรหกเจ็ดพันล้านเนี่ยนะห้กพันล้านเนี่ยผู้ที่นับถือพุทศาสนาผู้ศาสนาถึงห้าร้ยล้านหรือเปล่าดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงห้าร้ยล้าน ประเทศไทยมีเท่าไหร่ประชากรรวมๆก็กร่วมเจ็ดสิบล้านพม่าแหละเขมรอีกนิดหน่อยอะไรอีกนิดหน่อยจีนนี่ก็ค่อนประเทศก็เป็นอย่างอื่นไปหมดละพันก็เหลือนิดเดียวจริงๆที่รู้จักพระพุทธเจ้าที่จะได้ไหว้จริงๆก็เหลือน้อยมากพันพระธาตุนี่ต่อไปก็จะไม่เหลือให้ใครได้ไหว้อีกต่อไปพันสองพันห้าร้อยปีระยะนี้หลังจากนั้นไปเนี่ยใครยังอยู่ในวัดตากก็ไม่ต้องไหว้กันละ ไปไหว้กระดูกของคนอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันต์แทนไปไหว้สิ่งที่ไม่ควรไหว้ไปไหว้บุคคลที่ยังมีราคะโทสะและโมหะอันนี้ในในนามพระบรมสารีริกธาตุอีกไม่นานก็คงจะหมดจริงๆเพราะแนวโน้มว่าพระพุทธศาสนาจะหมดเมื่อพระพุทธศาสนาหมดชาวโลกเขาจะเก็บเจดีย์เอาไว้ไหมเขาไม่เก็บแล้วตอนนี้เนี่ยนะกหลายคนมองว่าเป็นวัด แต่ก็คือตลาดดีๆนี่เองเนี่ยนะวัดเนี่ยคือตลาดที่ขายของสวนสนุกที่ดูหนังกลางแปลงเป็นต้นเป็นโรงมหรศึกไปแล้วเป็นตลาดขายของอ น, นะเป็นที่ค้าขายแล้วทั้นไม่นานก็หมดจริงๆเมื่อหมดนะอ่ะนีขนาดในรูปประธรรมนะในส่วนที่เป็นรูปประธรรมก็หมดในส่วนที่เป็นนามรธรรมก็เชื่อว่าว่าหมดจริงเพราะว่าผู้คนทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมคาสอนตามพระไตรปิฎกเนี่ย ลดลงในปริมาณที่น่าตกใจมากน่าตกใจว่าเออหมดจริงๆแล้วหนทางเพื่อความงอกเงยเนี่ยก็นึกไม่ค่อยออกเพราะวิาวชาพระไตรวิดกเป็นวิชาที่ใช้เวลาศึกษามากศึกษายาวศึกษานานแล้วก็ศึกษาจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนันเก็ตั้งคําถามว่าผู้การเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งแต่ปีพศไหนงั้นนะเพราะฉะนั้นใช้เวลามาเป็นสิบปีแล้วผู้การอ่านอ่านพระไตรปิฎกมาเป็นสิบปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งอ่านอะไรหรอกแล้วก็ยิ่งช่วงสามสี่ปีหลังมานี่ก็นัะไม่สนใจการงานอะไรเลยสักอย่างอันนะจนแม่บ้านก็บนบ น, บนอยู่บ้างแล้วล่ะมันไม่ค่อยเอาการเอางานแล้วตอนนี้จะจะถูกตัดจากกองมรดกแล้วอีกไม่นานเนี่ย น, นะเพราะว่าปล่อยปละละเลยเหลือเกินเนี่ยน ะ, เ อ, ะยเอาแต่อ่านพระไตรปิฎกเอาแต่อ่านพระไตรปิฎกเอาแต่เนี้ยทั้งก็ แต่ขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจง่ายหลายๆเรื่องนะพึ่งเข้าใจใช่ไหมหลายๆเรื่องพึ่งเข้าใจทั้งๆที่พยัญชนะนั้นก็เห็นมาเกลื่อนตาม า, ด, า ด, ด่าเดินไปหมดข้อมาก็เป็นนั่นแหละหลายๆเรื่องพึ่งเข้าใจนั่นแหละโอ้ใช้เวลาอยู่ตั้งนานบางอย่างเนี่ยเห็นมาเป็นสิบปีแล้วบางอย่างน่ะสิบปีผ่านไปก็ทําไมมันเหมือนเดิมไปหมดเลยดูก็แคกว่าตอนนั้นเห็นยังไงนะตอนนี้ก็เห็นแล้วเข้าใจเท่าเดิม เรารู้เลยว่าเราไม่งอกเงยกับสิ่งนี้เรานี่มันลาหลังแล้วสิบปีผ่านไปนะเราไม่โตขึ้นเลยในในวิชานี้เหมือนกันนะเพราะนึกแล้วฉลาดเท่าเดิมนึกขนาดว่าเออก็มาสละมาอย่างนี้ก็ยังรู้ว่าไม่ใช่ง่ายนักทีนี้ถ้าหากว่าทุกการชอบใช้คําว่าผู้ที่ศึกษาปไตยบิดกต้องเป็นคนจริงจังหน่อยนะเหมือนกันนะี่ยนะถ้าเป็นคนเยหยาะแยะไม่จริงจังเนี่ยนะไม่ไม่เป็นโลเป็นพายเป็นเรื่องเป็นราเนี่ก็ นับว่ายากบางคนนะของมาฟังแล้วก็อนุมโมทนากับเขาอย่างคุณสุจินเนี่ยหลายครั้งก็ฟังก็เอออนุมโมทนาว่าถ้าไม่จริงจังขนาดนี้เชื่อเหรอไม่ได้ศึกษาหรอกนะบางครั้งถึงก็เลขเวนเป็นต้นเนี่ยนะที่ที่ ก, กว่าจะได้ฟังทำนี่ไม่ใช่ของง่ายบางคนเนี่ยสละอาชีพไปหมดเลยไม่สนใจเรื่องอื่นเนี่ยนะจะถูกคนอื่นดูหมิน่นดูแคลนเหยียดยามก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ศึกษาก่อนแต่ถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นนะ ก็จะไม่มีโอกาสได้ศึกษาจริงๆชั่วชีวิตเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าถ้าไม่รู้จักตัดไม่รู้จักละไม่รู้จักสะระบางอย่างก็ไม่ต้องเป็นอันได้ศึกษาคนที่มีบุญราชรถมาเกยให้ฟังทำสบายๆเลยมีไม่กี่คนที่เรียกว่ามีความสุขเพียบพร้อมเนี่ยนะมีธรรมะมาให้ฟังถึงบ้านเลยนะขอมาเห็นอยู่คนเดียวเท่านั้นเองคือคุณหลานลูกคุณมลีเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่เห็นเนี่ย มีธรรมะมาให้ถึงบ้านมีมีอยู่คนเดียวจริงๆที่เรียกว่าแทบไม่ต้องใช้ประโยค่าอะไรเลยถึงเวลาก็มานั่งเรียนเป็นต้นเนี่ยนะคนที่เหลือนะ่ะขวนขวายหมดเลยเนี่ยนะขวนขวายเรียกว่าต้องต้องสละต้อ ง, องทุ่มเทหลายๆเรื่องนะบางคนก็ต้องเนี่ยน้ำตาเช็ดหวเข่าอยู่แล้วในการศึกษาวิชาเนี่ยอันนี้คือเพื่อออกจากวัตตะแต่ถ้าไม่ไม่ขวนขวายนะ ไม่เอาตามพระไตรปิฎกเนี่ยลัฐที่ที่สอนคําสอนนอกพระไตรปิฎกตอนนี้มีมากสารพัด ท, ทิฐิสารพัดลัทธิซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจริงเป็นจังทรงจําไม่ได้เชื่อมโยงเนื้อหาไม่ติดไม่มีทางแยกออกหรอกว่าอะไรเป็นอะไรนะเราเราแยกไม่ออกจริงๆแล้วก็พอมาเจอความยากก็สําหรับบางคนก็เริ่มอะไรนะเริ่มท้อเริ่มเบื่อเริ่มล้าไปต้นเห็นเลยว่า ภาษาสนามหมดจริงๆนี่ขนาดเรียกว่าในชั้นคัดหัวคที่มาม า, มาเรียนกันแล้วนะรกระบว่าไปคัดประชากรมาสมมติว่าอย่างเอา้าเชียงใหม่นี่ก็คัดม า, าได้เท่านี้แล้วแล้วจะ ง, งอกเงยได้เท่าไหนาอันนะที่อื่นๆก็ลักษณะเดียวกันเราเห็นว่าโอ้หมดจริงๆถ้าไม่พยายามที่จะขวนขวายจเจริญกุศลโดยนยตต่างๆแม้กระทั่งมองในแง่พระบรมสารีริกธาตุถ้าไม่ไหาไม่นานนะ พบ ต, ต่อไปถ้าเราไม่ตรัสรู้อริยสัจเป็นต้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ไว่ายพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือพระบรมสารีริกธาตุให้ว่ายอยู่ช่วงนี้เท่านั้นเห็นไะแล้วอีกต่อไปข้างหน้าพระไตรปิฎกก็จะมีให้อ่านในยุคนี้เท่านั้นถ้าเกิดมาใหม่นะเชื่อเลยว่าแทบจะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเพราะว่าเขาน่าจะเริ่มเลิกพิมพ์กันทําไมจึงเลิกพิมพ์รู้ไหม เพราะว่าการพิมพ์มาเป็นหนังสือมันเสียค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าเทียบกับเอามาเล่นเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตในในโลกของซีดีในโลกของอะไรเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยแพงมากแล้วก็ใช้ปริมาณใช้ทุนหลายสิบล้านถ้าถ้าจะพิมพ์เป็นชุดนะหลายสิบล้านเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยสมมติว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องสองแสนบาทจึงจะพิมพ์ได้ต่อเล่นนะเพราะพิมพ์ทีมันต้องพิมพ์หลายพันเล่ม แล้วก็คูณร้อยอ่ะคูณเป็นร้อยร้อยเล่มเนี่ยมันจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่ใช่ไหมใช้ทุนเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านแล้วก็พอพิมพ์มาในปริมาณที่มากขนาดนั้นคนก็ไม่ค่อยอ่านมันก็คือลงทุนปริมาณที่เรียกว่าเสียหายเนี่ยนะท่าก็จะเริ่มเลิกพิมพ์ถ้าเลิกพิมพ์เนี่ยแม้กระทั่งพระไตรปิฎกของหลายฉบับเขาจะมีอยู่แค่เป็นช่วงเท่านั้นที่เขาพิมพ์พอหมดเรื่องนี้เขาก็เลิกพิมพ์และทุนที่เหลือเอาไปทําอย่างอื่น มันอนาคตต่อไปก็ยังกระดาษพวกนี้มันมีอายุใช้อายุใช้งานไม่นานก็ผล่ไม่นานก็กร่อนทีนี้ถ้าอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าใครไม่เป็นคนเฝ้าจอมาก่อนยากนักที่จะอ่านรู้เรื่องเพราะตัวอักษรในระบบอินเทอร์เน็ตนะเรียงไม่ไม่ได้หน้าอ่านอะไรเลยเนี่ยเรียงไม่มีวรกไม่มีตอนทีนี้มันคลิกได้ทีแล้วน่นะค่อยๆเลื่อนอย่างนี้ไปด้วยถ้าสิบอ่านนะ หน้าที่แล้วถ้าจําไม่ได้ต้องคลิกกลับไปไอ้หน้านี้จะลืมอีกว่าเพราะลืมอ่านหน้าลืมล้างอ่านหลังลืมหน้าวุ่นวายไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นภาระแล้วทีนี้ยุคต่อต่อไปคนโรคสมาธิสั้นมากขึ้นเพราะกามวิตกเป็นต้นกลุ่มรุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเรียนวิชาที่ละเอียดละเอียดอะไรได้ น, นะก็สรุปว่าคนยุคต่อไปโง่ามากขึ้นนั่นเองอ น, นะจะด้วยเหตุผลหลายๆประการก็ตามศึกษาไม่รู้เรื่อง พัน แ, แนวโน้มที่เรียกว่าหมดนี่หมดจริงๆอย่างเมื่อก่อนนะที่เขาเราว่าหมดหมดไอเราก็มาเคยเชื่อมายาๆๆั่งยังยังไอ้นั้นไอ้คืออาศัยว่าเราเราตั้งใจว่ายังไงเราก็ต้องเรียน น, นะพอถ้าไม่เรียนนี่เราก็เสียหายแล้วละ่ะแต่ทีนี้ในยุคนี้พอมาถึงระดับนี้แล้วก็ยอมรับจริงๆว่าแนวโน้มที่จะเจริญโงกเงยขึ้นเนี่ยนึกไม่ค่อยออกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรแม้กระทั่งเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมมาป่านนี้แล้วนะ เราระลึกถึงพระคําสอนได้วันหนึ่งเท่าไหร่กี่ครั้งเอาพระธรรมคําสอนใช้ได้มากเท่าไหร่ในขณะเราทั้งหลายนียมาทุ่มเทกันขนาดนี้ยังได้เท่านี้แล้วถ้าคนข้างนอกเขามองว่าจะเป็นอย่างไรเขาจะมาเดินตามห้อยหอยเป็นขบวนต่อท้ายเหมือนกับซื้อบัตรดูหนังไหมมีอั น, น, น, นตรายข้างหลังเนี่ยโล่งหมดเลยเนะ่มีแต่เราอยู่คนเดียวอย่างนั้นเลยมัน ก, ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าหมดแนโน้มหมดโดยประการทั้งปวง อนี้คือทางที่จะออกจากวัตฏะเนี่ยนะเคยถ้าไม่ศึกษาสิกขาสารที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ออกจากวัฏฏะไม่ได้เมื่อออกจากวัตฏะไม่ได้แล้วจะทํำยังไงต่อไปสมมติถ้าถ้าไม่รู้ทางเพราะทางที่จะออกจากวัตฏะเนี่ยท่าพุทธเจ้าบอกว่าสมณะรัตที่อื่นทั้งหมดว่างจากสมณะ คือว่างจากพระโสดาบันลทัทธิอื่นทั้งหมดว่างจากพระสกทาคามีว่างจากพระนาคามีว่างจากพระหันสรุปว่าลทัทธิอื่นทั้งหมดไม่มีพระอริยะบุคคลถ้าไม่มีพระอริยะบุคคลก็แสดงว่าออกจากทุกข์ไม่ได้แม้กระทั่งในสติปัฏฐานสูตรพระองค์ก็ยังตัดไปเลยใช่ไหมเอกายโนยังพิขเวดูความพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเทวะ เพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งถ้าใครที่เจริญสติปัฏฐานไม่เป็นเนี่ยนะเชื่อเลยว่ายากทำอะไรก็ช่างไปปฏิบัติทำอะไรก็ช่างเถอะท่านจะไม่พ้นจากความโศท่านจะไม่พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเลย เ, ยเนี่ยนะ